สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะชาวนีฮิตเป็นชาวที่หลายๆคนรู้สึกสดชื่นแต่ว่าเรียนเองเป็นหวัดค่ะต้องกราบขออภัยแฟนๆรายการไว้ด้วยนะคะ5้าวันนี้ทรมานพอสมควรไปหาหมอแล้วนะคะหมอก็บอกว่าเป็นหวัดธรรมดาแต่ว่านอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะสมุนไพรก็แล้วยา ขนานต่างๆนะคะแต่ก็แค่ทุเราถาดการนอนพักผ่อนห่วงใยคนอื่นฝากดูแลสุขภาพอนามัยนะคะแต่ตัวเองมาตกมาตายซะอย่างนั้นแม่ก็ต้องขออภัยนะคะวันนี้เสียงแหบมากเลยค่ะแต่ก็จะพยายาม เล้าเนื้อหาสาระให้คุณฟังได้รับฟังผ่านชีวิตวัฒนธรรมทาง fm 89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเช้ามืดวันนี้เด่นอยู่กับคุณบิ๊กนะคะคุณบิ๊กควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆไวให้เราได้รับฟังกันคุณผู้ฟังคะก็หลายคนเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนนะคะ ไปเทศกาลสําคัญในพระพุทธศาสนาอีกช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะคะเคยมีคํากล่าวที่ท่านได้ยินมาแต่เด็กๆเลยค่ะว่าสิบวันเข้าก็ไม่เท่าวันออกฟังแล้วก็ตีความไปว่าเอออะไรเนาะสิบวันเข้าก็ไม่เท่าวันออกคําพูดเนี้ยยายดิฉันเป็นคนเล่าให้ฟังพูดให้ฟังนะคะเดนเป็นคนแถวสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น ชีวิตวัฒนธรรมแถวเมืองที่อยู่ตรงอ่าวกอไก่เ้าเรียกเมืองสามน้ำเพราะว่าเรามีทั้งน้ำท่าซึ่งก็จะเป็นสีขุ่นๆ น, น้ำทะเลเมื่อหนุนขึ้นไปน้าจะใส่เจ้าเหมือนสีน้ำทะเลเลยนะคะและเมื่อฝนตกหนักๆ น, น้ำจากป่าเมืองกาญจานบุรีซึ่งเป็นต้นแม่น้ำแม่กรองไหลลงมาก็จะเป็นสีขุ่นคลาก เหมือนกับสีดิน ล, ลูกรังเลยนะคะเพราะฉะนั้นสมุทรสงครามจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งน้ำสามสีด้วยนะคะเราจะมีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายหนึ่งในนั้นที่เรียนพูดไปเมื่อสักครู่สิบวันเข้าก็ไม่เท่าวันออกคนโบราณย่านนี้เชื่อกันว่าอันนี้เชื่อนะคะเชื่อกันว่าการไปทำบุญช่วงออกพรรษานั้นจะได้บุญมากกว่าช่วง เข้าพรรษาถึงสิบเท่าเห็นยาวม่านี่คือความเชื่ออาจจะเป็นคำคล้องจองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแต่เมื่อฟังผู้ใหญ่พูดกันมาเทียนก็นำมาเล่าให้ฟังว่ามีคำพูดทำนองเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงหลายๆท่านก็คงจะตัดสินได้ด้วยวิจารณญาณของท่านเองว่าการทำบุญด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์นะคะเราย่อมได้บุญไม่ต่างกันนะคะ ช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะก็จะมีกิจกรรมสำคัญนอกเหนือจากที่เราไปทำบุญตักบาตรกันแล้วนะคะก็ยังมีพิธีตักบาตรเทโวซึ่งหมายถึงการทำบุญตักบาตรในวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดเป็นโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกคำว่าเทวทอทหารสระเอ วหวนสราโอนะคะเทโวก็เป็นเสียงที่ก่อนมาจากคำว่าเทโวโรหนะซึ่งแปลว่าการเสด็จลงจากเทโวโลกนั่นเองค่ะความเดิมก็มีอยู่ว่าในพรรษาที่เจ็นับแต่วันตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อเทศโปรดพระพุทธมารดานะคะที่ ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิตจนบรรลุโสดาปติผลคลั้งนออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11แล้วจึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัดสานครในการที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้นนะคะก็ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรมโลกเมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรกทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียงจั ก, กรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกันเทวดาก็เห็นพวกมนุษย์แมบพวกมนุษย์เองก็เห็นเทวดานะคะนอกจากนั้นสัตว์นรกเองก็เห็นมนุษย์และเทวดาด้วยต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าที่เดียวค่ะลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉับพันณรังสีขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงรุ่งขึ้นวันแรหม1อนข้ามเดือนสิบเอดชาวเมืองจึงพากาันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึงสามเดือนการทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่าตักบาตรเทโวโรหณนะต่อมาเรียกชื่อก่อนไปเหลือเพียงตักบาตรเทโวเท่านั้น เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะจึงนิยมตักบาตรเทวกันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบจนทุกวันนี้ค่ะที่เมืองไทยเรานะคะหลายๆที่ก็มักจะมีการทําข้าวต้มลูกโยนซึ่งเป็นขนมที่เด็กๆชอบมากเลยนะคะข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดธรรมดาเราเห็นมีขายทั่วไปเลยนะคะแต่ข้าวต้มที่เป็นข้าวต้มสาหรับ ทำในช่วงของการตักบาตเทวเขาเรียกเข้าต้มลูกโยนนะคะมักจะทิ้งหางแล้วก็ห่อด้วยใบเตยแข็งๆเตยที่หอมๆที่เราเอามาใส่ขนมหรือปักแจกันอันนี้เป็นเตยธรรมดาเตยบ้านแต่ถ้าเข้าต้มลูกโยนเกาจะใช้เตยที่เป็นใบหนาๆใหญ่ๆนะคะแล้วก็ทิ้งหางหางที่ทิ้งยาวๆเนี่ยเพื่อสะดวกในการจับแล้วโยนข้าต้มลูกโยนเขาก็จะทาไป ทำบุญในช่วงเทศกาลตักบาตรเทวนี้ด้วยนะคะประเพณีการตักบาตรเทวก็มีดังนี้ค่ะพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนอยู่เป็นประจำณนครสาวัตถีจนมีประชาชนจํานวนมากหันมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะจึงเป็นเหตุทําให้เหล่าเดรัตถีเสื่อมลงคําว่าเดรัตถีเขียนดอเอียเดียแล้วก็มี รอเรือถอถุงสระียอยะกรันเดียรถีหมายถึงนักบวชประเภทหนึ่งมีมาก่อนพระพุทธศาสนาอีกค่ะแล้วก็เป็นปฏิปักิต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งมีพุทธบัญญัติว่าหากเดียรถีจะมาขอบวชในพระพุทธศาสนาต้องมารับการฝึกเพื่อตรวจสอบว่ามีความเลื่อมใสแน่นอนเสียก่อนเรียกว่าติดตะิยปริวาส พูเ้เบรธีเดือดร้อนเนื่องจากเครื่องถวายสักการะก็ลดน้อยลงตามไปด้วยจึงคิดหาวิธีจะทำลายพระพุทธศาสนาโดยการกล่าวร้ายพระพุทธเจ้าสาวกแต่ประชาชนก็ยังเลื่อมใสศรัทธาเหมือนเคยในที่สุดเบรทีจึงใช้อุบายทำลายพระพุทธศาสนาโดยการใช้พุทธบัญญัติที่ว่ามั่นใจว่าพระพุทธเจ้าไม่กล้าฝ่าฝืนข้อห้าม ที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เองจึงช่วยกันกระจายข่าวให้ประชาชนได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกสิ้นท่าหมดอิทธิฤทธิแล้วงดการแสดงตรงข้ามกับเราคณาจารย์เดรัจฉีซึ่งมีปาฏิหารย่อมรบมั่นคงเต็มที่และมีความพร้อมที่จะแสดงให้เห็นได้ทุกเมื่อถ้ามเีเชื่อก็เชิญพระพุทธเจ้ามาแสดงปาฏิหารแข่งกันก็ย่อมได้ เพื่อพิสูจน์ว่าใครจะเก่งกว่าใครฝ่ายพระพุทธเจ้าและสาวกก็เงียบเฉยเดรัตถีจึงกล่าวร้ายหนักขึ้นอีกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถในการแสดงอิทธิฤทธิ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงคิดใคร่ครวญและตัดสินพระทยัยที่จะแสดงปาฏิหาริย์ให้พวกเดรัตถีได้ประจักษ์เพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนาโดนย่ำยีโดยพระองค์ได้ประกาศว่าจะแสดง ย้ำมากรบปฏิหารในวันขึ้น15้าค่ำเดือน8ณนะใต้ต้นมะม่วงเมื่อฝ่ายเดรธีรู้จึงแบ่งพวกให้ไปทำลายต้นมะม่วงทุกต้นในเมืองสาวัตถีอีกพวกหนึ่งก็ช่วยกันสร้างมนดบเพื่อแสดงปฏิหารของตน้นและประกาศให้ประชาชนมาชมความล้มเหลวของพระพุทธองค์เมื่อถึงกำหนดก็เกิดพายุใหญ่ทำให้มนดบของเดรธิพังหมดสิ้น สนพระพุทธเจ้ายังมิได้แสดงปาฏิหาริย์แต่อย่างใดในวันนั้นเองคนเฝ้าพระราชอุทยานของพระเจ้าประสเสนที่โกศลชื่อว่านายขันทะได้ถวายมะม่วงผลหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าเนื่องจากมีความเลื่อมใสสถานในพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงสั่งให้พระอานน์นํามะม่วงไปทํำน้ําปานะซึ่ง ทำว่รรน้ำปานะปออาปานนูสระอะนะหมายถึงน้ำของสำหรับดื่มนะคะพระพุทธเจ้าสั่งให้พระ อ, อ น, นุนนำมะม่วงไปทำน้ำปานะมาถวายและเอาเมล็ดมะม่วงวางบนดินค่ะ เ, คเมื่อทรงฉันน้ำปานะเสร็จก็ส่งล้างพระหัตโดยให้น้ำรดลงบนเมล็ดมะม่วง ทันใดนั่นเองก็กลายเป็นต้นมะม่วงที่งอกเงยขึ้นมาและต้นใหญ่หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงปาฏิหาริย์เนรมิตช่อไฟช่อน้ำเนรมิตบุคคลที่เหมือนพระองค์ทุกประการทรงแสดงธรรมจงกรมพระพุทธนิมิตให้ประชาชนได้ประจักษ์แก่สายตาจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาโดยทั่วกันส่วนเดรถี จึงโดนประชาชนสาบแช่งจนย่อยยับกลับไปวันรุ่งขึ้นเป็นวันเข้าพรรษาพระองค์ประกาศว่าจะไปพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงต้องการเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาเพื่อเป็นการสนองพระคุณดังนั้นจึงได้เทศนาพระอภิธรรมปิดกโปรดพระพุทธมารดาในช่วงเข้าพรรษาสามเดือน เมื่อถึงวันออกพรรษาพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัดสนครเป็นการอย่างจากเทวโลกหรือเทวโรหณนะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ประชาชนต่างพร้อมใจกันมารับเสด็จและนาอาหารมาทาบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากประชาชนบางพวกอยู่ห่างไม่สามารถที่จะ ถวายอาหารใส่ลงในบาตรได้จึงนำข้าวสาลีมาปั้นเป็นก้อนแล้วโยนใส่ลงในบาตรจนกลายมาเป็นประเพณีนิยมที่ว่าจะต้องทำข้าวต้มลูกโยนเพื่อไว้ใส่บาตรในวันเทโวโรหณนะข้าวต้มลูกโยนทามาจากข้าวเหนียวห่อด้วยใบยมะพร้าวไว้หางยาวๆค่ะเดี๋ยวเล่าแก่คุณหวังว่า บางที่จะใช้ใบเตยใบเตยที่เป็นใบใหญ่ๆสีเหลืองเหลืองมีคลีบเขียวๆนะคะบางที่ก็จะใช้ทางมะพร้าวแต่ทางมะพร้าวเนี่ยมันไม่ค่อยใหญ่มันอาจจะหอ่อได้เล็กแต่ถ้าเป็นใบเตยใหญ่ๆเนี่ยจะหอ่อได้ลูกโตแล้วสวยด้วยนะคะบางที่ก็จะใช้ใบพงค่ะใบพงใบอ้อพงเนี่ยนะคะเร็มเคยเห็นทั้งสามอย่างก็คงจะขึ้นอยู่กับว่า ชุมชนไหนย่านไหนมีใบไม้แบบไหนสะดวกที่ห่อข้าต้มเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็สามารถทิงงท้งหางคาว่าทิ้งหางหมายความว่าปลายของใบอะค่ะให้มันแหลมๆยาวๆเพื่อที่ได้จับแล้วก็เวียงไปใส่บาดหลายคนอาจจะมองว่าเอเราจะสุภาพไหมเนาะทําไมไม่ค่อยๆใส่นี่คือที่มานั่นเองนะคะ แต่ปัจจุบันก็คงจะไม่ต้องโยนขนาดนั้นนะคะเพราะว่าพระท่านก็จะบินธบาตรรอบพระอุโบสถอาจจะมีรถเข็นรถเข็นนี้ไม่ได้หมายถึงรถที่เออพระทั่วไปที่บินธบาตเยอะๆแบบนั้นนะคะแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็จะค่อ ย, อยๆช่วยกันเข็นรถที่มีประชาจนจำนวนมากมาทำบุญตักบาทนั่นเองและเวลาใส่เข้าต้มลูกโยนเดือนเองก็ไม่ต้อง คว้างไม่ต้องโยนใส่บาทนะคะเพราะพระท่านก็จะค่อยๆเดินมารับบาทไม่ห่างจากเราสักเท่าไหร่คงเป็นภาพที่ไม่เหมือนในสมัยพระพุทธองค์ยังดำรงพระชนชีพอยู่นะคะวันนี้ได้เล่าเรื่องราวของการตักบาทเทโวโรหณนะเข้าต้มลูกโยนเพราะสัปดาหนี้จะเป็นสัปดาห์ของวันออกพรรษาแล้วหลายท่านก็เตรียมตัวกลับไปทอดกถินที่บ้าน หรือที่ที่นัดกันไว้ก็ขอบารมีที่เป็นบุญกุศลอันบริสุทธิ์คุ้มครองให้ทุกท่านเดินทางไปทำบุญอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้มีจิตอันเป็นกุศลผลระบุญอันบริสุทธิ์เพื่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติร่วมกันนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธกระทาแล้วก็เป็น แหล่งรวมของความสามัคคีในอีกวาละหนึ่งค่ะช่วงแรกของชีวิตวัฒนธรรมวันนี้นะคะเนยนพนอดทมเนียมอินอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตี4ครึ่งถึงตี5เวลาใหม่ค่ะของวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อค่ะ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 รับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมทาง fm 89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีดิฉันพนธธรรมเนียมอินดำเนินรายการนะคะช่วงนี้รายการของเราเหลือครึ่งชั่วโมงค่ะดกรกุ่นกนิต ท, ทองเงาก็ส่งข่าวมาบอกว่าเนื่องจากมีการปรับทังรายการนะคะแล้วก็ ช่วงไหนที่มีเวลายาวๆก็ขอแบ่งให้ในการอื่นๆได้เข้ามามีโอกาสจัดร่วมด้วยนะคะเราก็เลยได้พบกันน้อยลงแต่ถึงแม้จะพบกันน้อยลงนะคะเด็กก็จะพยายามนำเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ชีวิตวัฒนธรรมคือชีวิตที่มีความสุขความเจริญงอกงามทั้งเป็นภาพความงามในอดีตและสิ่งที่เราจะร่วมกันสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตค่ะ เดินได้รับข่าวจากคุณปรารบลาวานิตนะคะท่านก็ส่งข่าวมาในสายวัฒนธรรมโดยตรงว่าเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านในฐานะบอร์ดวัฒนธรรมแห่งชาติก็ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบอร์ดซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของบอร์ดในรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยมีนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี ไปเป็นประธานการประชุมนะคะแล้วก็การประชุมช่วงนั้นจะเป็นเวลาสิบนาฬิกาพอสิบสามนาฬิกานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มาร่วมกันที่สัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่เมืองทองทานีค่ะเป็นงานที่เป็นกิจกรรมของคนรักการอ่านการค้นคว้านะคะแล้วก็ทำให้ มีโอกาสได้นัดกันสร้างสารรค์ปัญญาให้กับคนในชาติคนมีปัญญาชาติก็มีหวังครับ น, นี้ก็คือคําทิ้งท้ายจากคุณกรรพบลาวานิษที่การณาส่งข่าวคราวในเรื่องราวของวัฒนธรรมนะคะกระทรวงวัฒนธรรมชีวิตวัฒนธรรมให้ท่านได้ทราบข่าวคราวแล้วก็มีโอกาสที่จะนํามาประชาสัมพันธ์เผยแพร่พต่อว่าในชีวิตวัฒนธรรมของเรานั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็พยายามที่จะสร้างสรรกริจกรรมต่างๆให้พวกเราได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะและที่กระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีกิจกรรมที่หลากหลายหนึ่งในนั้นนะคะถ้าท่านอยากจะให้ลูกหลานของท่านเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนได้ฝึกระเบียบวินัยนะคะที่สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถนนรัชดาพิเศษ ทุกกวันเสาร์เขาจะมีการสอนดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์โปรงลางดนตรีโปรงลางแล้วก็ขนนะคะโดยคุณครูผู้มีจิตอาสาและไม่ได้หวางผลกำไรนะคะดำเนินงานมา20กว่าปีแล้วค่ะเรนเองก็มีโอกาสไปนั่งเฝ้าสมาชิกตั้งแต่เป็นเด็กป .1 จนกระทั่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้12ปีเต็มๆนะคะ ที่ได้เห็นชีวิตวัฒนธรรมตรงนั้นท่านใดสนใจนะคะก็แวะไปเยี่ยมชมกันได้ทุกๆวันเสาร์ค่ะเขาก็จะเปิดสอนตั้งแต่เวลาประมาณเก้านาฬิกาจนถึงช่วงบ่ายๆนะคะมีเครื่องดนตรีทุกชิ้นเลยค่ะใครอยากเรียนอะไรก็ไปสมัครเรียนได้ถ้ามีสีมไม้ลายมือนะคะคุณครูก็จะศ ส, สอนให้เป็นพิเศษซ้อมให้เป็นพิเศษแล้วก็พาไปประกวดตามที่ต่างๆ บางคนก็ไม่ต้องสอบเข้าเรียนต่อใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรีหนาตศิลป์บางคนมีโอกาสไปแสดงผลงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยเป็นความภูมิใจนะคะที่เราจะได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาตินี้ไว้รไว้ด้วยกันนะคะซึ่งคุณปราลบลาวานิดเองท่านก็เป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งในสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนแห่งนี้ เดนเองก็ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมมายาวนานสิบกว่าปีนะคะเป็นความสุขที่อยากให้ทุกท่านได้ไปทดลองใช้คำว่าทดลองก็ได้นะคะลงไปเยี่ยมชมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพคะช่วงนี้เดนเห็นหนังสือที่เป็นจดหมายข่าวจากศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรองค์การมหาชน โดยคุณกหนกเรขาฝากมาประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เข้าจัดกันไปนานแล้วล่ะค่ะแต่เพิ่งลงจดหมายข่าวฉบับล่าสุดเป็นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม3จังหวัดชทยแดนภาคใต้ถ้าท่านจำได้ดทั้ฉันเคยประชาสัมพันธ์ชวนให้เด็กๆเกยาวชนและผู้สนใจนะคะไปร่วมประกวด กิจกรรมหนังสั้นเป็นระยะระยะตอนนี้เขาก็มีข่าวมาบอกว่าเมื่อวันที่หนึ่งถึงสี่กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์มนุษยวิทยาศิลนินทร์องค์การมหาชนร่วมกับคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและโรงเรียนสบารังจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อให้เยาวชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสได้เรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านการผลิตหนังสั้นและเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิดการยอมรับกันอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความแตกต่างหลากหลายโดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้กำกับภาพยนตร์จากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยมาถ่ายทอดเทคนิคการทำหนังได้แก่คุณธนิตจิตนุกูลคุณปัตยาปิ่นแก้วคุณนนทรีนิวิบุตรและคุณบัติตทองดีซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้น12ทีมนะคะ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยคะ่ะการจัดการอบรมครั้งนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้ภูมิหลังของพื้นที่ตำบลสบารังจากปราชชาวบ้านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือประเด็นในการทำความเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมไปถึงเศรษฐกิจของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ในวันที่สองน้องๆก็ได้ลงพื้นที่ถ่ายทาจริง โดยเลือกโลเคชันเขียนพล็อตเรื่องและคัดเลือกนักแสดงตัดต่อจนได้หนังสั้นออกมาฉายในรูปแบบหนังกลางแปลงในคืนวันที่สามค่ะมีชาวบ้านในชุมชนมาร่วมชมหนังที่เยาวชนผลิตขึ้นอย่างล้นหลามเลยนะคะเขาก็จัดการถ่ายภาพยนตร์ที่โรงเรียนสบารังตำบลสบารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะโครงการดีๆเช่นนี้นะคะ คงไม่ได้มีครั้งเดียวแน่แต่จะมีกิจกรรมที่หลากหลายไปเรื่อยๆถ้ามีสิ่งใดที่เล่าสู่กันฟังได้นะคะเดียงก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางรายการของเรานะคะคือชีวิตวัฒนธรรมทาง fm แปดสิบเก้าจุดห้าสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้ค่ะซึ่งรายีเกี่ยวกับ ชีวิตวัฒนธรรมของเรานะคะยังมีหลากหลายท่านสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์ตีสี่ครึ่งถึงตีห้านะคะแล้วก็ถ้าท่านใดมีข้อแนะนำติดชมรายการก็ส่งข่าวๆมาบอกกันได้ทางสถานีของเราค่ะนอกจากนี้นะคะเดียนก็เห็นตะกร้าชนิดหนึ่งซึ่งถ้าคุณวังเคยเห็นนะคะก็อาจจะหลงไหล เดนเคยคิดอยากเรียนมากเลยนะคะเกิดในดงมะพร้าวแท้ๆแต่ทําไม่เป็นมาเห็นงานชิ้นเนี้ยเยอะมากๆเลยแถวตลิงชันนี่เองที่สมุทรสงครามเคยเห็นเหมือนกันนะคะแต่ก็จะเป็นรูปแบบธรรมดามาเห็นกิจกรรมที่เขาพัฒนารูปแบบเป็นสาธิตตะกร้าสารทางมะพราะ้าวกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ตลิงชันค่ะ กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิงชันศึกษานะคะก็มีการจัดกิจกรรมสาธิตตะกร้าสารทางมะพร้าวเขาจัดกันไปเป็นประจำนะคะหลายรุ่นมาแล้วล่ะค่ะเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของเขตตลิงชันในกรุงเทพมหานครนะคะให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์ถึงคุณค่าแล้วก็ร่วมสืบสารถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่เขตตลิงชัน แล้วก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้รู้จักศูนย์มนุษยวิทยาศิดรินทรมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมีคุณสุวรรณาจากตลาดน้ำวัดสะพานเป็นวิทยากรในการสาธิตแล้วก็พาผู้สนใจสารตะกร้าจากทางมะพร้าวทำเป็นภาชนะต่างๆใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้โอ้ถ้าท่านสนใจนี่ไปที่ ศูนย์ข้อมูลตลิงชันศึกษานะคะก็น่าจะได้เห็นตัวอย่างแล้วก็สอบถามเข้าไปก็อาจจะได้ร่วมกิจกรรมในการสารตะกร้าในครั้งต่อไปนะคะโอ้ที่บ้านในฉันก็มีทางมะพร้าวต้นเล็กๆอยู่ต้นหนึ่งเคยถลกต้องใช้คำว่าถลกจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้มีดตัดหรอกคะ่ะวันนั้นจะไปเป็นวิทยากรสอนเด็กๆทำปลาตะเพียนที่หอสมุดแห่งชาติ มีคนตัดมาให้ใบัวโตแต่ใบมันไม่สวยค่ะมีหนอนมีราเดก็เลยตลกเอาจากต้นเล็กที่บ้านนะคะใบก็กว้างสักประมาณก้านใบมันมีสองมีก้านใบตรงกลางแล้วก็มีสองข้างใช่ไหมคะเด น, นก็เลือกเอาที่เหมาะกับมือเด็กๆใบกว้างทั้งใบเนี่ยประมาณนิ้วเดียวเพราะฉะนั้นสองข้างเนี่ยก็จะมันครึ่งนิ้วไม่ถึงดี เหมาะที่เด็กๆจะสารประตะเพียนและเพิ่งจะสังเกตนะคะคุณผู้ฟังว่าเจ้าใบมะพร้าวหรือทางมะพร้าวเนี่ยมันมีอายุเป็นปีจริงๆกว่ามันจะเหี่ยวเปลี่ยนสีแล้วเราก็ต้องตัดมันทิ้งไปนี่คือคุณค่าที่เราได้รับจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะคุยกันมาแป๊บเดียวค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะคุณบิ๊กส่งสัญญาณแล้วว่าเวลาหมดแล้วครับวันนี้เราสามคนคุณบิ๊ก ผู้ควบคุมเสียงและหัเพลงไพเรอให้เราได้รับฟังกันดิฉันพนรรมเนียมอินผู้ดำเนินรายการดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาควบคุมรายการลาทุกท่านไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ดีซีครึ่งถึงตีห้าทาง FM 89.5 ชีวิตวัฒนธรรมค่ะเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ